ท่า น, นพวกละถีนมิธาเนี่ยถามว่าแล้วถ้าเราจะละทีนมิธาเนี่ยเราจะคิดยังไงเราจรึงจะละถีนมิธาได้อคือย้อนอีกครั้งนึ่งนะต้องสร้างความตื่นตัวตื่นยังไงเตื่นนะนะบางทีก็ต้องใช้วิชาคดิศาสตร์มาช่วยนิดหน่อยอคิดว่ายังไงว่าชีวิตของเราเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะตายอายุสักเท่าไหร่ดีเก้าสิบโอ้ปีที่เก้าสิบจะเป็นยังไงนาเอร้อยยี่สิบเลยเนาะ อืม mm hmm. ไม่ถึงเอาเอาเรเอาเอาแปดสิบเอแปดสิบนี่ไหวหรือเปล่านะแ ต, แต่คนใกล้แปดสิบนี่บอกไหวไหวแต่คนที่อายุน้อยๆบอกเออแปดสิบเราจะสู้ไหวหรือเปล่าเนะนี่นะของมาเนี่ยถ้าคิดหน่อยเลยถ้าเราแปดสิบนี่ไหวหรือเปล่านะเอาสมมตุติอ่ะคนที่มาเรียนธรรมะเก่งหนึ่งนะเนี่ยเกษียณละก็แสดงว่าหกสิบขึ้น ในี่หกสิบขึ้นเนี่ยนะหรือสี่ห้าหกสิบเนี่ยเอาสมมติถ้าวัยโดยเฉลี่ยเฉลี่ยนะเกณฑ์ปกติของโลกยุคนี้ก็ประมาณสักเจ็ดสิบห้าลาโลกแล้วเนี่ยนะแล้วทีนี้เจ็สิบห้าปีเนี่ยของเราบวกเออเอาเจ็ดสิบห้ามาลบอายุที่มันอยู่ทุกวันเนี่ยเดือเท่าไหร่นะเอาแบ่งเวลาให้กับอาหารไปวันวันหนึ่งกี่ชั่วโมงวันหนึ่งชั่วโมงครึ่งทานอาหารครั้งละชั่วโมงครั้งละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเดินทางอกีกนำหน้านำหลังเบ็ดเสร็จแล้ววันละสี่ชั่วโมง อ่ะแบ่งเรื่องอาหารไปสี่ชั่วโมงนอนอีกหกชั่วโมงคุยโทรศัพท์เรื่องเจ็เพรเฮระไม่เป็นเรื่องอีกสองชั่วโมงแบ่งบางคนเนี่ยมั่นจริงนะแล้วก็มาไล่ดูนะก็มาไล่ไล่ล่ไล่แล้วมีเวลาเหลือให้ธรรมะเท่าไหร่เอาบางทีวันทั้งวันได้สองชั่วโมงอย่างเ้ยเอะเยอะหน่อยก็วันที่เขาอะไรนะั้นมีกิจกรรมธรรมะแต่ถ้าวันธรมธรมดาธรรมดาอาจจะเหลือเวลาอยู่กับธรรมะลุกคือบางทีอ่ะ ใช่ในแวดอยู่ในเวทวงธรรมมากแต่กุศลธรรมอาจจะเกิดไม่มากก็ได้เพราะว่าอวันนี้ฟังธรรมทั้งวันเลยบอกว่าฟังธรรมด้วยอาการชนิดใดฟังแบบอะไรนัยังเต็มที่เรียกว่ายังเต็มเนื้อเต็มใจอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเพราะบางคนฟังแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งแบ่งให้หลับบ้งอีกครึ่งหนึ่งแบ่งให้ฟุ้งซ่านบ้างอีกครึ่งหนึ่งวางแผนงานบ้างอีกครึ่งหนึ่งคุยกับลูกบ้างอีกครึ่งหนึ่งวางแผนเที่ยวบ้างโอ้ทำกิจกรรมในความคิด ยามฟังธรรมมันก็เลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องไอ้เอาเวลาที่อยู่กับกุศลธรรมจริงๆเนี่ยเอาปริมาณมาวัดดูมามาเช็คดูว่าชีวิตเนี่ยเ อ, อยู่กับกุศลจริงๆเลยนะจิตที่เป็นกุศลที่ไหลมาเทมาอย่างเดียวเนี่ยถ้าไหลาวันหนึ่งห้าชั่วโมงน่าจะได้นะเอาต้องวางแผนให้มันดีๆนะไม่ได้ก็ต้องทําให้มันได้ถ้าถ้าได้ห้าชั่วโมงสมมตินะถ้าได้วันละแค่ห้าชั่วโมงเนี่ยแค่นะจริงๆแค่จริงๆครชีวิตหนึ่งอะ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 เก้าพันเก้าพันห้าร้อยอ่ะเอาไปทําอะไรแบ่งไปเรื่องอะไรเรื่องอาหารมัางเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องสูบเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรถโอ้น่าเสียดายนะเสียดายเว е ลาชีวิตจริงๆเ้างมาแบบพะเซื้อได้ไอ่เก้าแสนกว่าชั่วโมงในขอเธอยจะได้เอามาทําบุญ <c oughs> จะเอามาเจริญกุศลนั้นถ้าจิตใจเราเป็นไปกับบุญน้อยเนี่ยอกุศลปริมาณมันโตขนาดนั้นแล้วกุศลนิดเดียว่มันจะเอาอะไรมาบรรลุ กุศลจิตเกิดนิดเดียวเอาอะไรมาบรรลุแล้วต้องแกลไกลเราก็ทําไมเราไม่เห็นอริ ย, ยสัจธาทีเนี่ยนะเพราะว่าคุณภาพจิตมันมันอ่อนเกินไปที่จะเห็นอริยสัจสติปัญญามันไม่มีกําลังเลยอ่ะมันทุรพลไปหมดเลยเพราะฉะนนั้ถ้าเราพยายามฝึกคิดตื่นตัวแล้วสมมตินาฬิกามันเดินแก๊กแ๊กแก๊ผ่านไปเนี่ยนะเราเกือบเข้าไปทุกทีแล้วนะขยับเข้าไปอีกนิดขยับเข้าไปอีกนิดหนึ่งไปหาปากมัจจุราช แล้วทีนี้ไอ้ขยับไปเนี่ยอยู่แบบความโง่เขลาหลงงม ง, ง, งายไม่มีความตื่นหลับห ล, ลับซึมสลึมสะลือสะลอยู่อย่างนี้เลยหรือเนื้อถ้าคิดลักษณะนี้บ่อยๆมันก็ตื่นตัวเ ก, เกือบตายแล้วนะอย่างงี้ยไใกล้เข้าไปแล้วนะแล้วไอ้ปัญหาว่าตายไม่น่ากลัวแล้วหนหตายแล้วเกิดมาทําอะไรต่อเพราะว่าถ้าชาตินี้นะรอบรู้ขนาดนี้แลงเจริญได้แค่นี้นะชาติหน้าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าจะเจริญได้ไม่ได้เจริญหรอกเช่ไหม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 ไอ้อดินปุย๋ยทั้งหลายมันก็เริ่มหมดไปเนี่ยนะก็บอกปุย๋ยเคมีก็ใช้อีกไม่กี่ร้อยกี่ไม่กี่ปีข้างหน้าต่อไปมันก็หมดแล้วปุย๋ยเคมีที่เขาขุดเอามาทําเดี๋ยวก็หมดแล้วทีนี้ไอ้ต้นไม้ใบหญ้ามันก็เริ่มหมดลงทรัพยากรโลกมันลดลงพื้นดินมันจะเป็นทะเลทรายมากขึ้นแล้วเกิดมากินอะไรคะนี้เห็นไหโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นอะไรก็มากขึ้นอาหารหายากขึ้นอะไรก็ยากขึ้นแล้วถามว่าปากท้องมันเดือดร้อนขนาดนั้นเอาเวลาที่ไหนมาคิดอารยสัตว์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 ก็เขามีหลายคนบอกอู้เป็นห่วงาศาสนาบอกขอมาเป็นห่วงคนพูดอะไรมากนะว่าถ้าคนพูดทำท่าจะห่างาศาสนามากเพราะไปคิดแตให้คนอื่นมีาศาสนาตัวเองเนี่ยใจตกกับาศาสนาไปตั้งนานแล้วเอาถามว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็ดูใจคุณคิดถึงพระพุทธเจ้าขนาดไหนมั่นใจในพระพุทธคุณขนาดไหนอยู่กับพระพุทธคุณขนาดไหนเพราะอะไรพระพุทธเจ้าไม่เสื่อมหลอกาศาสนายัางไงก็ไม่เสื่อมเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าเสื่อมแล้ว พระธรรมก็เสื่อมแล้วพระสารีบุตรท่านเสื่อมเลยตกจากภาวะอรหันแล้วเคยได้ยินไหมไม่ไมีเพราะนั้นไอ้ที่เสื่อมจริ ง, รงๆก็คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละจะเสื่อมจากพระาศาสนาทํำยังไงใจของเราจะมีในศาสนาไอ้ใจของเราก็ไม่ค่อยมีาศาสนาแล้วไปไล่ให้คนอื่นนับถือาศาสนามันจะอะไรเกิดขึ้นมันก็ท่าจะยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบพยายามมาให้คุลในรอบๆหลายๆเรื่องเอาภาวะหลายๆด้านมา พิจารณามากๆก็จะได้สร้างความตื่นตัวให้แก่จิตใจของเราเราก็จะได้เจริญกุศลธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเชื่อเธอสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขามีการบรรลุทีแลแสนทีละหลายๆหมื่นทีละแปดหมื่นสี่พันบรรลุอย่างหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยบรรลุเกินห้าร้อยหมู่บ้านนั้นเกินห้าร้อยหมู่บ้านโน้นเยอะแย ะ, ยะแต่ไม่มีเราอยู่เลยอ่ะท่านเหล่านั้นก็ไม่มีเสื่อมแน่นอนข้างหน้าต่อไปก็จะได้ ตรัสรู้แต่เราเนี่ยอย่าลืมนะก็มีกรรมเป็นของของตนเอาพูดอย่างนี้ขาดเมตตาต่อคนอื่นสิอนะเมตปัญหาว่าขอให้มีเมตตากับตัวเองก่อนเพราะฉะคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้นั่นแหละจึงจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ถ้าชถ้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆให้มั่นคงในศ า, ศาสนายากที่จะช่วยคนอื่นได้ถ้าเราไม่มีความสุขในพระศาสนาคิดว่าคนอื่นเขาจะเอากับเราไหม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 มากกว่าคําสอนก็ว่างั้นเขาเขาหลายคนเขาออกมาพูดลักษณะนั้นเขาเขาอยากเห็นตัวอย่างจริงๆว่าคุณลองทําให้มันดีในเขาบอกคําสอนนี่ดียังไงแล้วช่วยทําให้ดูหน่อยสีถ้าทําได้แล้วจะเอาตามมันดีจริงๆอ่ะนะใครก็อยากดีอะ่ะใครก็อยากประสบความสุขความเจริญถ้าดีจริงเอาด้วยเพราะสังเกตที่ไหนที่ใครคิดว่าดีเนี่ยนะที่นั่นคนก็จะแหนกันไปโดยเชื่อว่าดีจริงแล้วของเราทั้งหลายประสบความดีไหม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 คือความไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นชื่อของสมาธิเนี่ยนะเป็นชื่อของเอกกัคตาแห่งจิตเอกคัตตาเนี่ยจะต้องฐานฐานคือกุศลธรรมเนี่ยรองรับค่อนข้างแน่นหนาใจจึงจะไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะคันคิดโดยที่ไม่ฟุ้งซ่านได้นี่เก่งมากก็โดยเฉพาะแบบนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะคําว่าฟุ้งซ่านนี่แปลว่าอะไรแปลว่านั่งอยู่แป๊บหนึ่งคิดได้ตั้งหลายเรื่องที่ไม่รู้คิดทําไม ไม่ใช่การไม่ใช่งานไม่ใช่ธุระไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้หรือไม่ว่างๆก็นั่งนึกถึงใจแค่ว่าภาษาคำว่าฟุงา้งซ่านนะภาษาไทยเรียกว่าใจลอยนะนั่งมือลอยนั่งใจลอยบางทีดูๆอยู่เนี่ยเอา้าไปที่ไหนก็ไมร่รู้อย่างเงี้ยหรือตอนแรกก็ทําท่าอ่านหนังสืออยู่ดีๆเอาคุยกับเพื่อนตั้งนานแล้วเนียคุยในใจนะมันลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าฟุงา้งซ่านไอ้ความฟุ้งซ่านเราเนี่ยแกอยอย้อย่างไงนะเนี่ย ให้มันจิตใจที่มั่นคงเป็นจิตใจที่ไม่ใช่มันกระสร้านสัน้นเซนไปหมดเลยอ่ะมันละอุทธจาด้วยความไม่ฟุ้งซ่านด้วยคุณธรรมคือสมาธิเนี่ยนะคือทำจิตให้ให้กุศลจิตเนี่ยเกิดได้บ่อย